ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องกินกับการปฏิบัติธรรมโดยพ่อท่านโพธิรักษ์แสดงไว้เมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2525ณพุทธสถานสันติอโศกกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ จเจริญธทรรมสาธารยชนทั้งหลาย <c oughs> าวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะพูดถึงเรื่องการกินการกินนี่เป็นการปฏิบัติธรรมอันสำคัญมากขอย้ำยืนยันว่าสำคัญมากพูดจะจะไปนิพพานเนี่ยจะต้องปฏิบัติเรื่องการกินนี่เป็นบทปฏิบัติธรรมให้เยี่ยมยอด เพราะเกิดมาจนกระทั่งตายจะเป็นคนใหญ่คนเล็กคนโตเป็นคนยาจกเป็นเศรษฐีเป็นยิ่งใหญ่ถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องกินตัสรุปเป็นอะไรยิ่งใหญ่ได้ตำแหน่งฐานะอย่างไรก็ต้องยังมีการกินอยู่ในวงของชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในส่วนของชีวิตของเราที่เราทิ้งไม่ออกนี่แหละถ้า สิ่งนั้นมันมีกิเลสผสมอยู่มันร้ายแรงมากเพราะยังไงยังไงเราก็ทิ้งมันไม่ออกในพฤติกรรมนั้นเราต้องกินอย่างอบายยมุขเนี่ยก็ทิ้งได้เลยทิ้งแล้วก็เลิกกันไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามันไม่ไปกับเราตลอดตายแต่กินนี่นะมันไปตั้งแต่ต้นจนตายเลยและกินก็เป็นได้ทั้งอบายยมุขกินนี่อยู่ตั้งแต่โลกต่ําเลยตั้งแต่โลกอบายยมุข โลกกามโลกลาบยศสนเสริญโล ก, กีิยสุขโดยตรงแม้แต่อัตภาพการกินหรือการที่รู้จักอาหารชั้นสูงสุดตั้งแต่กวลิงกลาอาหารอาหารตั้งแต่หยับยาบจนกระทั่งถึงอาหารชั้นในผัสสอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและถึงวิญญาณอาหารนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารหรือการจะกิน จะรับเข้ามาไว้ที่เราแล้วก็อาศัยพักผิงเพื่อจะเกิดคุณค่าในชีวิตตลอดตายคนที่ปฏิเสธหรือคนที่ดูถูกดูแคลนไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะด้วยเรื่องของการพิจารณาและอบรมตนด้วยการกินนี่แหละจะพา ถ, ถึงนิพพานคนที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ผู้นั้นเขายังไม่รู้จักธรรมะเลยอาตมามีหลักฐานอ้างอิงยืนยันมากหลาย จะยืนยันว่าการปฏิบัติธรรมะเพื่อถึงซึ่งสูงสุดด้วยหลักปฏิบัติของการกินนั้นท่านยืนยันหลักไว้หมดเลยเอาเอาหลักแรกให้ฟังหลักที่ใครก็รู้ว่าหลักนี้เป็นหลักสำคัญคือโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าก็ยืนยันในหลักเลยจัดโอวาทปาติโมกข้อหนึ่งในหคือมัตตัญญุตาจะ พัตตะสมิงก็คือให้ประมาณเรื่องการกินพิจารณาการกินให้รู้จักเรื่องการกินปฏิบัติจะต้องเอาเรื่องการกินหลักพระปาติโมกเป็นข้อสรุปเป็นหัวข้อที่จะต้องเลือกเฟ้นแล้วที่จะเอาไปไว้พระโอปาโอวาทปาติโมกที่ท่านตรัดสอนพระอรหันต์เจ้าที่ให้ไปเผยแพร่ศาสนานีพระอรหันต์เจ้าท่านรู้ดีแล้วท่านมารับอีกทีในวันมาขาบูชานะั้นมารับเอาคําสอนหลัก มาลักเอาคําอธิบายที่จะไปเผยแพร่ว่าจะสอนอย่างไรจะทําอย่างไรจะสอดคล้องกันในาศาสนาพุทธตั้งแต่หลักองสามหลักองสี่หลักองคหกที่เป็นโอวาทปาติโมกในหนังสือมาคบูชาในของเรามีเราเอามารวบรวมไว้แล้วโอวาทปาติโมกที่เรารู้ดีก็แต่เพียงหลักสคือว่าละบาปทั้งปวงยังกุศลนี่ถึงพร้อมให้ทําให้จนกระทั่งบริสุทธิ์ถึงจิตหรือจิตใจบริสุทธิ์สะอาดนั่นเป็นหลักสาม หนะลักสีหลัก6มีอีกนะอันนี้อยู่ในหลัก6นะอยู่ในสภาพดี๋อยู่ในข้อที่ อ, อนุปวาโตอนุปคาโตแล้วก็อะไรเนี่ยต่อๆมาจนกระทั่งถึงมัตัญยุตตาจาพัพตส밍นะ อ, อยู่ในหลักวัตัญยุตตาในข้อที่4หรือไงต่อจากนั้นก็ปันตัญจัสรณาสนังแล้วก็อธิ กิตเตจโยอายโคนะเป็นข้อที่หข้อที่สเนี่ยมันปฏิโมกขเคจสังวโรนะข้อที่4อันนมัตตัญญาจะพัตสมิงนี่ข้อที่สอยู่ในหมวด6นะนี่เป็นหลักที่ยืนยันแน่ชัดว่าการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้ต้องสาคัญเรื่องอาหารโดยเฉพาะมัตตัญญาจากพัตตะเนี่ยที่เขาไปตั้งชื่อพัตตาคารเนี่ยร้านอาหารพัตตาคารอาคารแห่งอาหาร พัดตากนี่แปลว่าอาหารโดยตรงเลยถ้าโพชนะยังเกี่ยวข้องถึงเครื่องกินและเครื่องใช้ถ้าคาว่าพัดตาะระบุเป้งลงไปเลยว่าอาหารพัดตากเนี่ยพอจำเภาตตเต่าสองตัวเนี่ยอาหารโดยตรงเลยให้ประมาณให้พิจารณาให้รู้จักการกิน น, นี่เป็นหลักใหญ่ของาศาสนานะโอวาสปาติโมกหรืออยู่ในศีล ก็แน่ๆอยู่แล้วในศีลจะเป็นหมวดศีลไหนแล้วแต่ทําหมวดศีลที่สอนถ้าคนที่เรียกว่าเอาละมันเหมือนเด็กๆมันยังไม่รู้เรื่องนะักศีลห้าก็ยังไม่ต้องพอเริ่มตน้นศีลหข้อที่6กกวิกาละโภชนาเกี่ยวกับเรื่องให้พิจารณาเรื่องการกินการใช้ประมาณลงมาเพราะฉะนั้นศนีลห้านี่ก็ ถ, ถือเอาความหมายตื้นๆต้นๆก็เป็นแต่เพียงว่าละเรื่องอบายมุขเพราะฉะนั้นคุณยังกินยังสืสบยัง เสพยังเอามารับประทานแต่ไอ้อเรื่องที่เฟ้อเฟ้เกินเกินกินเล่นกินหัวกินเละกินเถอะกินเสพกินติดพวกนี้มันเรื่องของอบายมุทังสินผมก็จะต้องเรียนรู้แล้วสี่ข้อ5้าถ้าเป็นอธิศีอริยกันตศีเราก็ต้องอธิบายความหมายออกให้ได้ก่อนเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรหลักการการกินมันก็มีอยู่หลักการการรับการใช้การจ่ายกาันที่จะละออกตัดออก มันก็มีอยู่มีแต่เป็นไปเพื่อความละนายคลายเป็นหลักใจของาศาสนารนะดังนั้นถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจผู้ที่เป็นผู้รู้เป็นอาจารย์ท่านเข้าใจดีท่านก็จะแนะนําแม้จะเป็นศีลห้าท่านก็แนะนําเรื่องการกินได้ด้วยเช่นเราแนะนํากันว่าเอาที่คุณกินมากไปวันหนึ่งคุณกินตั้งสามมื้อหมื้อกินเล่นเลิกกินจุบจิบเถ อ, อะกําหนดมากินให้พอเหมาะพอควรอย่างนี้เราก็มีหลักพากันปฏิบัติอยู่3มื้อก็กินเถอะแต่อย่ากินเล่น อย่าไปกินของที่ไม่เข้าท่าก็บอกมันเป็นอบายยมุกในะของฟุ่มเฟอืฟเฟอยไม่เข้าเรื่องนะอะเป็นสุราไปกินเหล้านี้อันนี้หยาบที่สุดแล้วกินแล้วก็สติเสียด้วยทําลายประสาทด้วยอันนี้มันหยาบที่สุดละมันถ้าอัติศีลที่สูงขึ้นมาหรือขยายความจะเห็นเด่นชัดว่าอันนี้เป็นภัยต่อตนเป็นภัยต่อสังคมเราก็ลดลงเราจะไปสนับสนุนในสิ่งที่ไม่สมควรสิ่งเสพติดนี่ทั้งหลายแหล่ก็ไม่กินไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพแล้วละ่ะ และเราก็จะต้องรู้แม้แต่สิ่งที่เหมือนกับเป็นอาหารนี่แหละแต่มันไม่ใช่อาหารตรงๆหรอกแม้แต่เป็นยามันก็ไม่ใช่ยาตรงๆหรอกกินแต่ยาที่ไม่เขาเรื่องนี้เป็นยาเสพติด ต, ตั้งเยอะตั้งแยะอาหารก็เป็นอาหารเสพติดกินเล่นกินเพราะหลงมันนะอาหารนี่เยอะแยะขนมก้าต้มไอ้อันโ น, น้นอันนี้อะไรคุณติดกันอยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะว่ า, วาอาตมาว่างโง่เลยถูกก็หลอกเก่งแหมประเดี๋ยวแล้วมายอมดอง เออไอ้กองแกงอะไรเนี่ยเขาเอามาขายหลอกเหมือนกับไอ้เด็กเล็กๆอ่ะเอาหมดก็ลังกองแกงมาแล้วอ่าไอ้นนี่ไอ้นี่หน่อยขายเหมือนกับเด็กขายข้าวแกงขายของเล่นหลงติดเดี๋ยวซื้อติดมือเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาซื้อมาอุ้ยน้ําลายไหลกินนั่นมันเสพติดมันไม่ได้อยากจะเอามาบํารุงตัวหรอกนะแต่มันกินเพราะมันหลงติดเขาหลอกเอาไว้โดยข้ารับนิยมแล้วเราก็หลงตรงนี้อย่างนี้เป็นการกินที่เรายังอับบายยมุกอยู่ อย่าไปกินเล่นถ้าอาหารที่เราจะกินเป็นอาหารสังเคราะห์ชีวิตไว้กินเลยสามมื้ออาหารอะไรที่จะกินเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักเป็นฐานต้องเป็นผู้ใหญ่ซะบ้างนะบางคนนั่นอ่ะผมขาวแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังอายุสองขวบ5้าขวบอยู่เลยนะยังกระล่องก้องแกงอะไรอยู่อย่างี้เป็นต้นนะใครผมขาวแล้วก็โดนว่าตอนนี้แต่ไม่ใช่ผมขาวเพราะไปยอมนะมันแก่มันเกิดนานนะ แต่ก็ยังไม่เงยงสาอยู่เองเหมือนเด็กๆ ก, กินของเล่นของหัวอะไรพวกนี้แม้แต่อัตมาเคยบอกว่าน้ําขวดน้ําเปรี่ยวน้ําหวานอะไรพวกนี้มันของเด็กๆเล่นเขาใส่สีมาหลอกเขาใส่กลิ่นใส่รสฟูฟ้าอุ้ยชอบอะไรกันทําไมถึงมัไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีนึงแล้วเอาเขาเอาอะไรมาผสมปนปรุงเข้ามาหลอกๆลอ่ลอๆอะไรก็ติดต้องติดน้ํำยังงอนขวดยังนี้กินประจำนั่นเราไม่เสียติดทั้งนั้นอะ อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารคุณก็ไปคิดว่ามันเป็นอาหารเป็นพัตตาเป็นของกินเป็นอบายมุกในะที่อาตมากาลังอธิบายนี่อบายมุกนะฟังให้ละเอียดขึ้นไปฟังให้ชัดเจนไม่ใช่อบายยมุกือกินแต่เหล้าเท่านั้นไอ้กินแต่เหล้าเท่านั้นนะ่ะมัน ก, ก็ถูกด้วยแต่มันหยาบมากที่สุดแล้วแล้วมันไม่มีความหมายที่ละเอียดขึ้นมาเป็นอธิศีนให้เข้าใจว่าอะไรเสพติดบางขั้นสุราเนี่ยสุระมันเป็นเรื่องหยาบหยาบกั้นกล้านสุระแปลว่าหยาบกล้านกล้า กล้าจัดสุระเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความหมายอย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้จกัจกรสดจกักรละจักรปล่อยอแม้แต่การมากินเนื้อสัตว์เราก็ว่าเอาเธอมาเลิกกินเนื้อสัตว์ที่มันจัดจ้านแล้วกินแล้วก็เลือวิสัยไม่ไหวคนเราเนี่ทุกร้อนคนเราเนี่มีจิมีทั้งกินเลทแล้วก็มีทั้งโรคภยัยและเราก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่เป็นสุข เศรษฐกษิจก็ไม่ดีอะไรไม่ดีต้องเยอะต้องแยะหลายอย่างหลายอันจิตใจก็ไม่ดีจิตใจก็ไม่มีเมตตากรุณาเกื้อกูลเพราะไปกินเนื้อสัตว์นะใน ต, ต่างนานาพวกนี้นี่ก็เป็นอธิศีนอีกระดับหนึ่งที่เราเองเราพยายามสอนกันให้เรื่องเลือกกินนะเลือกกินแล้ว่าเออไม่ใช่จะว่าอย่าเลือกกินต่อต้องกินเลือกนะอย่าเลือกกิน แต่ต้องกินเลือกนะคือไอ้เลือกกินเนี่ยมันเอาตามชอบใจเพราะฉะนั้นต้องกินเลือกกินเลือกว่าเลือกว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้เป็นคุณค่าอันนี้เป็นคุณประโยชน์แม้มันจะไม่อร่อยก็ต้องม า, มาหัดตัดตัดรสอร่อยตัดอะไรอะไรของอร่อยอร่อยที่เราชอบนั่นนะ่ะการปฏิบัติหลักแร ก, แรกของอะไรที่อร่อยอร่อยชอบๆอบแล้วอยากกิน นี่มาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเจออย่างนี้ของอ ร, อร่อยอร่อยเราอยากกินหัดท่ามถ้าอะไรที่มันทดแทนคุณค่าของอาหารได้มันไม่อร่อยแล้วแต่อันนี้ก็ทดแทนคุณค่าอาหารได้กินอันไม่อร่อยไออันอร่อยอยากกินแล้วเราก็ไม่ขาดอาหารเพราะเราจะกินอื่นทดแทนอยู่อย่าไปกินมันจะได้หัดได้ฝึกนะ อาตามาบอกหลักฐานยืนยันสัก่อนก่อนจะอธิบายในย่อละเอียดอธิบายไขยความตรงนี้มีองค์ประกอบเพื่อที่จะให้เข้าใจมีเหตุมีผลอะไรรอบรับเยอะแยะเนี่ยหลักฐานที่อาตามาบอกไปแล้วแม่อวาตปาติโมกแม้หลักของศีลหลักจรณะ15บาจรณะ15ก็เป็นหลักสําคัญของการปฏิบัติธรรมนะโภชเนมตัญยุตตา ในข้อที่สามของเจรณาสิพานี่ก็เป็นหลักยืนยันชัดแจ้งแล้วว่าการปฏิบัติธรรมนี่จะต้องปฏิบัติเรื่องการกินนี่แหละเป็นการจะไปนิพพานเพราะใครบอกว่าเออไอเรื่องการกินมาเอาเรื่องอะไรโน่นไปนั่งหลับตาโน่นน่ะจะไปนิพพานพวกนี้ไม่รู้จักศาสนาพุทธผู้ได้กล่าวอย่างนั้นบอกได้เลยว่าไม่รู้จักศาสนาพุทธนี่ก็เป็นหลักยืนยันชัดแจ้งเลยโพชเนมตันยุตาเป็นหลักที่ พาไปสู่วิชาวิชานี่ก็คือการพ้นทุกข์คือการบรรลุวิชาบรรลุพ้นอวิชาก็เป็นวิชาเจรณะนี่แหละคือการประพฤติจรณะแปลว่าการประพฤติการประพฤติตามหลักนี่แหละจะไปสู่วิมุตติไปสู่นิพพานแล้วก็มีหลักข้อหนึ่งเป็นข้อที่สอย่างที่กล่าวแล้วโภชเนมตะยุตานี่ข้อที่สของเจรณะ15้านี่ก็เป็นหลักยืนยันชัดเด่น ว่าศาสนาพุทธ ม, มีหลักต่างๆเยอะแยะหรือเอาอีกหลักหนึ่งหลักปฏิบัติไม่ผิดถ้าปฏิบัติทำมีอยู่ในหลักนี้แล้วผู้นั้นปฏิบัติไม่ผิดในศาสนาพุทธคือหลักที่เรียกในภาษาบาลีว่าปาันนกระทัมซึ่งแปลว่าการปฏิบัติไม่ผิดการปฏิบัติไม่ผิดก็รวมเอาไว้อันนี้อีกเหมือนกันมี3ข้อห น, นึ่งสงวรศีลสามพอเชนเนมตันยุตตาไม่ใช่พัชโมศีลสํารุบอินรี่หก หนึ่งสำรมอินทรียสองโภชเนมัตตัญญาตาสามชาคริยานโยคะถ้าเราได้ปฏิบัติถูกตรงตามสามหลักนี้อยู่ผู้นั้นปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าไม่ได้ผิดทางหรอกอภนณกรรมเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดในลัทธิพุทธปฏิบัติโดยพิจรารณาและปฏิบัติโดยมีหลักการในเรื่องเกี่ยวกับอาหารในข้อที่สองอยู่โภชนเนมตตัญญาตานั่นเองนี่ก็ยืนยันว่านี่ปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติไม่ผิด ไอ้ที่ไปนั่งหลับตาปฏิบัตินะ่ะมันผิดเอาน่นไม่ใช่หลักใหญ่ไม่ใช่หลักที่ท่านขยายเป็นขอ้ขอๆขๆไว้ให้ทําแม้ขยายเป็นสิภาคก่อนแล้วขยายเป็นโอวาปฏิปาติโมกข์ก่อนแล้วขยายแม้แต่สรุปลงว่านี่แหละหลักสําคัญนะเนี่ยปฏิบัติไม่ผิดเนี่ยมีสํารวจอินทรีย์หกระบาระวัาวางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็โภชเนมตันยุตาประมาณพิจารณาเรื่องอาหารการกินเครื่องอุปโภคเครื่องอุปบริโภคต่างๆ แล้วก็ทําจิตใจให้เป็นผู้ตื่นก็ไปหาพุท ธ, ธะแล้วชาคริยานโยคให้มีสติสัพพัญญะเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจถึงหลักธรรมรู้จักกิเลสตัณหาอุปาทานรู้จักจิตที่มันปฏิบัติได้หรือกายกรรมวจิกรรมที่เราปฏิบัติเจริญขึ้นเจริญขึ้นได้เป็นกุศลกุศลเราก็ต้องเรียนรู้จริจรงๆนะดังนี้เป็นต้นนะหลักต่างๆพวกนี้ที่อาตมาเอามายืนยันให้ฟังเนี่ย เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้พูดเอาเองเราไม่ได้พูดพล่อยเราไม่ได้พูดไปเลยอิงหลักอิงฐานอิงธรรมอิงวินัยเราอิงอิงแน่ แ, นแ ท, แท้แล้วหลักต่างๆพวกนี้มันหลักเล็กหลักน้อยที่ไหนมันหลักใหญ่มันหลักสําคัญของศาสนานแม้แต่อันอื่นอีกเยอะแย ะ, ยะไปเลยมากมายพระพุทธเจ้าสอนพระเอาไว้เนี่ยถ้าชั้นอาหารนี่ไม่ตั้งใจนะไม่พิจารณาก่อนอาบัตเลยนะอาบัตทุกกฎทุกทีกินข้าวแล้วไม่ตั้งใจ เตรียมตัวนะจะกินข้าวล้วต้องพิจารณาตั้งใจพิจารณานะเรากินอะไรเนี่ยเราจะกินอะไรนี่กิเลสหรือเปล่ากิเลสเท่าไหร่ต้องเตรียมตัวสำรวมสังวรนะจะกินอาหารนี่ต้องพิจารณาก่อนเสมอไม่พิจารณาอาบัตทุกกดกินหมดถึงปั๊บเจออาหารกัดซัดดุยเลยไม่พิจารณาพระนี่อาบัตทุกองค์กินแล้วไม่พิจารณาก่อนที่จะกินอาบัตทุกองค์อาบัตทุกรูป ที่บวชอยู่ในวินัยพระพุทธเจ้าแล้วอาบัตทุกกฎดังนี้เป็นต้นสําคัญมากทีเดียวเอาละทีนี้อาตมาเอาหลักอะไรจะใดมาประกอบให้ฟังแล้วก็จะขยายความให้ฟังต่อไปอีกว่าการกินเนี่ยแม้แต่กินเป็นอบายมุกที่อาตมากล่าวเกินไปบ้างแล้วซึ่งมีหลากหลายจะวิเคราะห์วิจัยให้แหลกละเอียดมากกว่านี้ก็ได้เป็นเรื่องที่เลอะเลอะเทอะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าเรากินอะไรกันทุกวันนี้ เขามาปรุงก็ามาแต่งเข้ามาประดิษฐ์ประดอยก็ามาประกอบเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรต่างๆนาน า, นานแล้วก็ลงไปตามรูปรสทิ้งเสียงสัมผสัสของเขามันก็ยั่วยวนกันด้วยสังขารธรรมต่างๆของนี้กินขนมไอ้ขนมมันก็เอามาจากข้าวมาประดิษฐ์ข้าวน้ําตาลกะทิอะไรก็แล้วแต่เอามาประกอบกันเขา้าได้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่างแท้ๆแล้วก็กินแก่นสารคา ร, ร์โบไฮเดรตแป้งอะไรพวกนี้แป้งน้ําตาล จะมีอะไรอื่นอีกผสมผสมบ้างก็แล้วแต่มันก็เป็นอาหารที่จะมีาธาตุผสมมาก็ไมเ่เป็นปัญหาอะไรแต่เราก็ไม่เข้าใจเราก็ไปหลงรูปไปหลงแบบไปหลงที่เขาสังขารมาต่างๆตาน า, า, าเป็นวักเป็นเวนเน อ, อันนี้นมเน้ น, น, น, น, น, นไปทางนี้เด่นอันนี้นมเน้นไปทางนี้เด่นนะมันมากมาหลากหลายซะเยอะแยะเกินการไม่หวาดไม่ไหวถ้าเราไม่รู้จักบรรเทาเราไม่รู้จักลดละออกบ้างเราก็ต้องไปติดในรูปในแบบ ในสังขารธรรมต่างๆเนี่ยปรุงมาเป็นเนี่ยดูนี่ในขนมในฐาดนี่นนไม่รู้กี่อย่างนะบางคนก็ติดอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้นะ่ะไอ้อันเดียวกันนั่นแหละข้าวกับน้ําตาลนีล่แหละเป็นหลักไม่ได้แปลกอะไรไปกว่ากันเท่าไรเลยนะอย่างนี้เป็นต้นหรือเขาจะเอาอะไรมาปรุงมาปร ะ, ประกอบกันขึ้นมาปรุงแต่งออกแบบแล้วก็เป็นรูปนั่นเรื่องนี้ออกมา ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเราก็หลงอย่างนี้ไปเป็นวักเป็นเวนนะเพราะงั้นชีวิตของเราจึงเป็นภาระอยู่มากต้องแสวงหาต้องคอยบำเบร์ตนต้องคอยหามาให้มันตัวติดนี่ตัวติดตัวเสพตัวเมาตัวหลงเราก็จะต้องบํำเบรมันถ้าเรามาลล้างออกไปเรื่อยเื่อเรื่อยๆๆื่อยเราก็จะเบาลงเราก็จะไม่เป็นวักเป็นเวนกับอะไรต่ไรต่างๆนานาเมื่อเราได้แล้วเราจะมาเป็นตัวอย่างคนอื่นเราจะไม่เจไดไปเจได้ดูแล้ว ยินดีปรีดาตื่นเต้นแม่ดีจริงอุ้ยดีหน้ากินเลยดีหน้าอย่างนอย่างนีน้เพื่อให้เป็นการยั่วยอมสร้างให้คนอื่นเขาจิตใจคนอื่นเขาก็มาเลอะเลอะถ้ายิ่งคนสําคัญคนสําคัญเขานิยมสิ่งนี้คนที่ไม่สําคัญก็อยากจะสําคัญอย่างเขาสร้างแฟชั่นสร้างขานิยมเอาอย่างตามรัทธิเอาอย่างตามก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดยิ่งเป็นผู้ที่เคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่เราก็จะต้องพยายามเป็นหลัก สิ่งอย่างนี้เราก็ต้องอย่าไปแสดงความนิยมผู้ใหญ่แสดงความไม่นิยมในสิ่งที่ไม่น่านิยมเนี่ยเป็นการสอนโลกสอนอนุชนสอนผู้อื่นแล้วพอหมดเราละเละ ล, ะละเลิกได้เราก็พยายามละเลิกเราก็พยายามหยาให้มันมีกรรมกิริยาที่มันย้อนทวนได้บอกอาทาไมล่ะจะมาสอนให้ลูกไม่สูบบุหรี่แล้วตัวเองสูบบุหรี่อยู่อย่างนี้เป็นตน้นยกตัวอย่างง่าย มันก็ไม่ดีถ้าเราเองเราไปติดบุหรี่แล้วเราก็ยังไปสูบบุหรี่ให้คนอื่นเข้ามาย้อนแยงเอาอัตมาสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้ก็สูบได้รับรองไม่ไม่สำลักรับรองสูบได้มวนเป็นมวนก็สูบหมดทั้งมวนได้เดี๋ยวนี้ก็สูบได้แต่ประโยชน์อะไรหนึ่งเอาเชื้อโรคเข้าไปสองก็เหม็นเหม็นอย่างนั้นสอัตมาก็ไม่ได้อร่อยอะไรแล้วสี่เมืออม่อยคอเมื่อยตึงดูตึงดืดอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเขาทาอะไรวิเคราะห์ไปอีกมากข้อกว่านี้ก็ได้นะ ไม่เข้าท่าอะไรเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องทําเราวิเคราะห์แล้วว่าเปลืองเปล่าเสียหายมากกว่าอันเป็นประโยชน์ก็ดีกว่าเป็นประโยชน์อื่นอย่างเอาแม้แต่แค่กินขนมขนมบางอย่างเนี่ยเราเองเราเลิกติดแล้วก็ไปตามมีตามได้บางทีเราไม่กินเสดือด้อเราบอกเราจะย้อนแยงเขาอะไรต่อะไรบ้างเราก็ทําแต่ถ้าบอกว่ามึงอยู่ในโลกมันต้องอนุโลมบ้างก็เอาแต่เราก็เห็นได้เห็นเลยว่าเราน้อยนะเราไม่ได้ไปยินดีปรีดาอะไร ทำอย่างเสียไม่ได้อย่างนั้นเองแหละถ้าจะรับเพราะมันก็ไม่ใช่ยาพิษอะไรอย่างขนมอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาหารมีธาตุอะไรเป็นสังเคราะห์ร่างกายก็รับบ้างไม่รับบ้างอย่างไม่แยแสอย่างไม่ยินดีไม่ได้ไปนั่งเอ้ยทำมาเหน็ดเหนื่อยแทบตายเหนื่อยก็ช่างคุณไปอะไรไปทําอะไรมามากนั่หรอก็ง่ายๆกว่านั้นก็ทําได้แล้วไปปรุงอะไรมาเหน็ดเหนื่อยก็คุณนั่นแหละเหนื่อยไปประดั บ, ป ร, ป, รดบประดาประดิษฐ์ประดอยอะไรกันนักหนา ไม่รู้จักเมื่อยะทิ้งเสียเวลาเสียแรงนะอย่างนี้เป็นต้นเราเมื่อเราเป็นผู้ที่รู้เราจะเป็นตัวอย่างเราจะเป็นผู้ที่มีนโยบายในท่าทีลีลาที่จะสอนเขาด้วยพวกนี้ลึกซึ้งนะบางทีต้องต่อต้านบางทีต้องทำท่าทีอย่างว่ า, านี้ใจเขาใจเราบางทีก็โกรธทําไมกินให้ก็โกรธนะก็ไม่เป็นไรนานๆก็ยับทิ้ง โกก็โกรธไปนานๆก็ยับทีทีนี้ถ้าคนไหนรู้เรื่องแล้วมีจิตสูงแล้ว mm hmm. ก็จะไปโกรธทําไม mm hmm. กับเราเองนะั่นแหละไปยังฟุ้งเฟอ้ออยู่อย่างนั้นน่ะยุ่งยากอยู่อย่างนั้น mm hmm. ก็ลดลงซี่เขท่านต้องการให้เราลดเราก็ลดลงลดลงก็ไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมากนะักพอเป็นพอไปพออาศัยอาเราก็จะเบาง่ายว่างได้แกนสารไม่ต้องมีมากหรอก อยมาเอามาหลากหลายโอ้ยคนไทยนี่นะนอกจากจะประดิตประดอยอาหารไทยขนมไทยมีร้อยอย่างพันอย่างแล้วยังไปผลิตประดอยไปเอาของฝรั่งไปเอาของยวนไปเอาของเขมรไปเอาของอเมริกาไปเอาของสเปนอะไรมาประดิตประดอยแล้วก็เอามานี็ของฉันนะอย่างอาหารหลายๆอย่างขนมหลายๆอย่างเนี่ยไปเอามาที่จริงทองหยิบฝอยทองนี่ก็ไปเอาของพวกปรตุเกตเข้ามา อะไรย่งนี้เป็นต้นไอ้ขนมอะไรหลายๆอย่างเอาไปเอาของประดิบประดอยประิดแพงนิดหน่อยจนเป็นของไทยอีกอย่างหนึ่งนี่อัตมาจะยกตัวอย่างในนี้นเจนตอโฟ ไ, อไม่ใช่สุกิ้ยากี้สุกียากีตัว น, นี้ญี่ปุ่นมันไม่เห็นสุกียากีแล้วนี่บอกนี่แหละสุกียากีญี่ปุ่นมันต้ต ก, ต ก, ต, กตกใจแน่บอกเฮ้ย ไ, ไอ้สุกียากี้ไม่ใช่อย่างเนี้จริงๆเล ย, เลยญี่ปุ่นมันมาเห็นสุกียากี้ไทยขายกันแหว่ลอดตะหู้ยี่เลยนะ สุกี้ยากี้ของที่ไทยเราเรียกชื่อโก้เลยว่าชื่อญี่ปุ่นและมีน้ำเต้าหู้ยี้และพริกขี้หนูคนน่าแปรุงสะลงมาราดะดิอย่งๆๆๆางดีซะด้วยญี่ปุ่นมันไม่เห็นแล้วมันบอกไม่ใช่ให้ตายงไงก็ไม่ใช่สุกียากีเพราะอาตมารู้ดีสุกียากีของญี่ปุ่นจริงๆอาตมาเคยปรุงตำรับของญี่ปุ่นเอาพวกทูตญี่ปุ่นอยู่ที่ในสถานทูตมาปรุงเลย ไม่เหมือนเลยทั้งรถทั้งปิ่นทั้งสีทั้งองค์ประกอบมันได้พลิกแพลงแต่งตบมาจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อซะเหอะสุกิยากิเนะี่ยเป็นของไทยแล้ว <c oughs> เป็นของไทยแล้วนะเป็นไอของประดิษฐ์ประลอยตกแต่งเป็นแบบรถไทยๆเป็นแบบอย่างไทยๆ ไ, ไปแล้วมันไม่ใช่เป็นอาหารญี่ปุ่นเลยไปเอาชื่อเข้ามาแล้วก็ของของอาหารของเขาชิซูกิยากิจริงเขาก็มีนี่มันสุกิยากิปลอมปลอมอย่างไม่เห็นหน้าเห็นหลังด้วย ปลอมยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเลยโคลเรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นเอาเราก็เรายังไม่เปลี่ยนชื่อก็าตามมันก็ได้กลายมาเป็นอาหารไทยชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยปรับปรุงแล้วก็ติดกันนีติดสุ ก, ก, กี้ยากีพอกินสุ ก, กี้ยากี้ไทยอย่างติดพอไปกินสุ ก, กี้ยากี้ตำรับต้นเขากินไม่เป็นไม่โคลเรสเลยกินไม่ลงอะ่ะโคลเรื่องเลย จริงๆนะอาตมาเคยชิมมาตั้งตั้งของไทยทั้งของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วชื่อมันก็ชื่อเก่าวซึิกแต่แรกก็ไปเอามาจากของเขายังมีเชื่อเดิมก็อยู่คือใช้ผักนะใช้ผักเนี่เป็นเป็นเป็นเพลเพลประกาศนะผักของญี่ปุ่นเขาไม่ใช่ผักกาศมันก็มันเป็นแข็งแข็งเป็นแล้ก็มีอะไรอาตมาจำจำรายละเอียดไม่ได้นะจำรายละเอียดต่างๆ ยังจําได้แต่ว่าเขาใส่เหล้าสักเก้แล้วเขาใส่ซอสของญี่ปุ่นเองเป็นหลักนะอันนี้ไม่ใช่ซอสของญี่ปุ่นแล้วเพราะมันไม่มีซอสของญี่ปุ่นก็หล่อเตาฮูยี่เลยละลายใส่อะไรแล้วแต่หอ่อเละเลยเอไอเนี่ยมันตลกตลกฟังแล้วมันก็จะเห็นอะไรที่มันดัดแปลงมันปรับปรุงไประชาชนแล้วกลายเป็นสังขารแล้วอย่างหนึง่งแล้วหลอกล่อกันนะเรื่องพวกนี้มันเป็นกิเลสทั้งสิ้นเสร็จแล้วเราไปติดไปยืดว่าเป็นอร่อยเป็นสิ่งอะไรต่ออะไร ต่างๆนานาถ้าเราเข้าใจบทบาทของสังขารธรรมบทบาทของการปรุงแต่งของการสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราไปติดรูปเราไปติดไอการผลิตประดอยตกแต่งสังขารปรุงแต่งอะไรพวกนี้มาแล้วเราจะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากนักเพราะอาหารการกินแล้วก็กินเป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่มันไม่เกิดพิษเกิดภัยไม่เกิดแก๊สมากไปไม่เกิดปฏิกิริยาของไอธาตุอันนั้นเข้าไปแล้วทําให้เราเกิดมี เจ็บป่วยหรือว่าไม่ไม่เป็นคุณค่าที่เต็มที่ดีเราก็เอา้าจะต้มจะคั่วจะผัดจะลวกอะไรบ้างจะปิ้งจะทําอะไรบ้างเปิดปฏิกิริยาทางเคมีเล็กๆล็กน้อยน้อย ก, ก, ก, ก, ก็ทําให้ง่ายๆถ้าสดได้ก็เอาสดอันนี้สดแล้วได้ธาตุดีด้วยได้คุณค่าสมบูรณ์ด้วยแล้วเรื่องอะไรอะไรไปทำเลเล่เทะ ๆ, ๆอย่างนั้นบางอย่างยี่ไปต้มไปผัดไปแกงปจําจนเกือบจะกินกากธรรมดาคุณค่าของอาหารเสียหมด แต่ก็ไม่รู้เรื่องนะล่อเละเลยว่าว่าอย่างนี้ดีอย่างงี้ดีต้มอย่างนี้ตุนอย่างนี้ยำอย่างงี้นะที่จริงมันถอดอคุณค่าอาหารแปลเปลี่ยนศูนหมดแล้วถ้าว่ากินกากเข้าไปเต็มท้องอร่อยได้อร่อยกับเต็มท้องเป็นกากไม่ได้คุณค่าอาหารอย่างนี้ก็เยอะนะอย่างนี้ก็เยอะเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้สัจธรรมพวกนี้ให้ชัดเจนในเรื่องการกินเมื่อรู้แล้วเราจะเป็นคนเลี้ยงง่าย พระพุทธเจ้าจะสอนเราเนี่ยเลี้ยงง่ายในประเด็นที่หนึ่งต้องเป็นผู้กินง่ายกินง่ายๆกินสบายกินเนื้อสัตว์เนี่ยเลี้ยงยากเพราะว่ากว่าจะไปจับสัตว์มากินแม้จะสัตว์เล็กยิ่งสัตว์ใหญ่จะให้ดีไปจับเสือมากินดิถ้าแค่ติดเนื้อเสือแล้วก็เวน้น ติดเนื้อเสือแล้วก็เวรเลยโอ้ยร้องห้ายอย่าง ก, กินเนื้อเสือถ้าพ่อแม่คนไหนมีลูกติดเนื้อเสือแล้วตายแล้วเนี่ยมันจะไปซื้อเนื้อเสือที่ไหนมันหายากไปจับมาก็ลําบากมันจะกินเราอะที่เสือนะในยกตัวอย่างให้เห็นห ย, ยาบๆชัดๆถ้าเราไปติดไอ้เนื้อโงูเนื้อควายมันก็ซื้อก็เสอร์ที่จริงมันเป็นสัตว์มีคุณมันมีสัตว์ที่เราใช้มันได้เราพยายามปรับปรุงพวกเป็นสัตว์เชื่องเป็นสัตว์ที่มีจิตวิญญาณที่ซื่อ ซื้อซื่อมากนะเชื่องเอามาพลิกแพลงปรับปุงสอนมันเป็นเครื่องทุนแรงทํางานช่วยคนมันน่าจะมีกตันยูกะตะเวทีไปกินเนื้อมันได้นะหรือไม่เงี้ยเนี่ยมีหนังสือพิมพ์อะไรอเมริกาเขาประท้วงบอกคนไทยนี่กินเนื้อหมาอะไรกับเนื้อหมาหมามันเป็นสัตว์เลี้ยง มันเป็นสัตว์ที่อยู่กับเรามันเป็นสัตว์ป่านะั่นแหละมาเลี้ยงกันจนนานจนกลายเป็นเพื่อนกินเพื่อนก็ไปได้แล้ว ห, หมาเป็นสัตว์เลี้ยงมันเป็นเพื่อนเรานะยังต่างประเทศอย่างอาบริการมันรักหมามันเลี้ยงแล้ว ไ, ไปกินลงเหรอแล้วนี่มาแผ่เมตตาเพื่อน <c oughs> เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายพลอเนื้อเพื่อนหนาดือ้อยังงั้นนะกินก็ไปได้ะนะแลิ่ง ก, กินเนื้อหมาหมามันก็เป็นเพื่อนเป็ดไก่อะไรมันก็เป็นเพื่อนสัตว์มันก็เป็นเพื่อนเราเองเรานี่มีจิตใจเมตตาท่วงทั่วต่อสรรพสัตว์ เปลงปากพูดอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเล่นเนื้อเพื่อนท่านี่เล่นตับเพื่อนท้าอีกและเมื่อกี้นี่พิชัย ก, ก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้วแหละไอ้ตับไตไส้พุงอะไรละยอดเชื้อโรคเขาขายไปสําหรับให้แม่หมากินเสร็จแล้วก็ไปซื้อแ พ, แพงๆมากินด้วยนี่เป็นเรื่องกับตรรพัดน้าตลก <c oughs> เราเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วเราจะเห็นอะไรว่าเรานี่มันไม่ได้เป็นผู้มีปัญญาหรือวฉลาดอะไรหนักหนาเลยนิยมกันไปไม่เข้าเรื่อพเคารพนะ เพราะการกินเนื้อสัตว์นี่อาตมายืนยันแล้วว่าเป็นการเลี้ยงยากหนึ่งไปจับมากินก็ยากถ้ากินพืชไปถึงมันก็ต้นอยู่กับที่เป็นเด็ดมันมาไปจับมันมาง่ายง่ายพืชนะ่ะไม่ต้องวิ่งไหลมันเลยเวลาจะฆ่าจะแกงมันก็ดินก็ร้องชีวิตมันวิญญาณมันมากมายวิญญาณมันมากกว่าวิญญาณพืชเวลาจะเอามาแกงเอามาผัดเอามาทากิน กินสดๆก็แสนที่จะเหม็นข้าวสัตว์ทุกชนิดมีข้าวเพราะมันมีโอโซนเป็นองค์ประกอบชัดข้าวจัดจะแกงก็ต้องหาเครื่องเทศมาดับข้าวยุ่งยากนะจะแกงใส่จานใส่ชามก็ต้องล้างใส่เขียงก็ต้องเปื่อนเขียงใส่หม้อเปื้อนหม้อใส่กละมังเปื่อนกละมังถ้าผักนี่ล้างสะอาดมาแล้วเตรียมที่จะเอาไป ต้มไปผัดไปแกงพอเอาออกจากจามจากจานผัดแกงเสร็จเช็ดพิดหน่อยก็ความได้แล้วแต่เนื้อสัตว์นะใส่จานใส่ชามมาแนละ้วยหันแล้วเสร็จใส่จานชามมาเพื่อจะผัดจะแกงพอเขาคุณเอาออกจากจานชามใส่ไปผัดไปแกงแนละ้วเสร็จคุณเอาชามเช็ดความได้ที่ไหนต้องล้างต้องเสียผงฟอกผงล้า ง, ง, ง, ง, ง, ง, งต้องเสียเวลาต้องเหนื่อยอีกเยอะแย ะ, ยะ เฮ้ท่าจะวิเคราะห์แหลกแล้วยิ่งเห็นชัดเจนเยอะแยะมากมายแพงกว่ากอบแพงกว่าจะได้กินก็ยากแล้วมันบาปมันเวรอีกไอ้สิ่งที่พูดกันแล้วไม่รู้เรื่องบอกว่าบาปตัวบาปไม่ได้ขี่ช้างสูบยามานี่นั่นก็ยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องเลยถ้าจะพูดไปอีกแล้วเชื้อโรค ก, ก็มากกว่าก็ยังไม่ค่อยเชื่อท้งด้านวิทยาศาสตร์วิเคราะห์แล้วชัดเจนว่าเชื้อโรคมันมากกว่าก็ไม่ค่อยเชื่อะอะไรพวกนี้ต่างๆนา น, นา เพราะคนพวกนี้นี่ทั้งโง่ที่เลี้ยงญาติทั้งโง่ทั้งเสพติดจะเรื่องชัดเจนก็คือมันเสพติดมันอาย่อยไอเทมันติดเป็นทิ้งไม่ออกอเดี๋ยวนี้มันก็อาย่อยไอเทเรื่องสําคัญ อ, ะอ่ะเพราะงั้นเราต้องมาหัดล้างและเราจะรู้ประเด็นที่สําคัญว่าเพราะเรามาเลิกละออกดิเรามาล้างรถอร่อยนี่แหละตัดกิเลส ที่เถียงกินอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าไอ้กิเลสนี่แหละตัวหลักทั้งทั้ที่บอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมันถูกนะเศรษ ฐ, ฐกิจดีขึ้นกว่าเก่านะใช่ไหมนะอยิ่นะยงคนมีสตังค์แล้วก็ไม่ต้องพูดเลยมีสตังค์พอซื้อกินมีฐานนะพอซื้อกินแล้วอย่างวันนะีมันจะแพงหน่อยเศรษ ฐ, ฐกิจมันก็พอทุนะ่นอะพอทนออร่อยนี่แหละเป็นตัวเป็นตัวหลักเลยเป็นกิเลสหลักที่มันไม่ไม่พาให้ทิ้งได้ะ นี่นี่ตัวสำคัญนะเพราะฉะนัะ้นเรื่องเราพากันมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรายกเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ออกมานำพาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะบอกไตให้วันนี้จะเปิดไตให้วันนี้สาหรับพวกเราก็เพราะอาตมาหยิบกุศโลบายหยิบกรรมฐานหลักมาให้พวกคุณได้ปฏิบัติธรรมจริงๆนั่นเอง เพราะฉะนั้น <enders. S 1> จะโดนต่อว่าจะถูกว่าเป็นควายเป็นเคยอะไรไปก็ฉ <AR> ั่งเขาเหอะที่จริงอาตมาไม่ได้เป็นควายอาตมาเป็นคนบอกว่าอาตมาเป็นควายเพราะกินหญ้านี่ใส่ความไปบอกเขานะคนว่าอาตมาเป็นควายน่ะเป็นี่ยกินผักกินหญ้าเป็นงัวเป็นควายเออใช่ถ้างูควายมันกินหญ้าจริงแต่พระโพธิลักษณยังไม่ได้เคยกินหญ้าเลยนะหรือใครนั่งอยู่ีกินหญ้ากินผักเท่านั้นใช่ไหมกินผักกินผลไม้ใช่ไหม นี่เห็นไหมเขาประชดประชันแดกดันเลยเถิดไปคุณต้องรู้เลยเขาอุตส่าห์พูดเลยเลยเถื่อไปกินผักกินหญ้าเมื่อกินผักก็หยุดที่ผักสิต่อไปหญ้าแล้วคุณก็เอาคําว่าหญ้าไปสัมพันธ์กับควายใช่ควายกินหญ้าต้องตัดต่อให้ดีเห็นไหมเราเลยเถิดที่เราเรียกประชดประชันเราเราไม่ได้กินหญ้าสักหน่อยเราจะได้เป็นควายคุณบอกกินผักกินหญ้าเป็นควายใช่ถ้าใครไปกินหญ้าเป็นควายแล้วควายไม่ค่อยได้กินดอกผักคนมันหวง คนไม่ไมค่อยกินเราผักคืนกินผักโดนตีด้วยงัวควายกินผักเข้าได้อย่งเป็นผักปูกูงที่คนกินด้วยก็ตีเอาตายนะเขตีเอาเจ็บนะอยบอกใครนุ่ น, นกินหญ้านุน่นควายนะไอ้นี่คนกากินเพราะใส่ความเราแดกดันเราอย่างนี้คนประชดประชันเราอย่างนี้ซึ่งไม่จริงเลยน ะ, ะเรากินผักกินพืชเนี่ยอาตมาบอกแล้วว่าอาตมา มีในญาติที่ลึกกว่านั้นว่าเป็นสัตว์ จ, จริงไม่ใช่พาคุณมาเลวพาคุณมาดีได้ตัดกิเลสได้เป็นอยู่สุขและถูกกับตัวเองหามุมเหลี่ยมมาวิเคราะห์ให้เห็นว่าคนไม่เป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินสัตว์หลักฐานอะไร ต, ต่างๆนานาก็เอามาอาธิบายรอบรัดทุกด้านทุกมุมเพราะว่าเอาอันนี้ไปกรรมฐานด้วยเอาอันนี้มาให้คุณปฏิบัติเพื่อประพฤติลดละกิเลสด้วยเพื่อให้คุณเป็นอยู่สุขไปพร้อมกันจริงๆด้วยใครลดละมาแล้วก็เป็นอยู่สุข ข, ขึ้น คนเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากินมังสวิรัติหายจากโรคโดยไม่ต้องกินยาอะไรเลยเลยิเลกยาที่เคยกินด้วยซ้ามากหลายพวกเรานี่มากมายไม่ใช่ว่ามันไม่จริงเป็นแต่เพียงเลิกกินเนื้อสัตว์นั้นนะมากินให้มันถูกเรื่องของเราซะคนมันกินพืชไม่ใช่คนมันสัตว์กินสัตว์เท่านี้มันก็ได้ประโยชน์แล้วถูกตังก็ถูกเวลาที่จะทํากินก็ง่ายอะไรหลายๆอยา่างเป็นการเลี้ยงง่ายที่จริงเข้าหลักการเลี้ยงง่ายแล้วก็ดันมาประชดประชันก็นเราซะอีกว่าพวกไปกินเนื้อสัตว์นี่เป็นพวกเลี้ยงยาก น้นมันพูดมักง่ายมหาว่าเราเลี้ยงเป็นพวกเลี้ยงยากเนี่ยเรานี่แหละตัวเลี้ยงง่ายแต่คุณนะกลับพูดมักง่ายและคุณนี่แหละตัวเลี้ยงยากเลี้ยงยากพาะกิเลสถ้าติดมากๆแล้วก็ทาอาหารเจไปให้กินไม่กินกินไม่ลงก็นั่นไงนั่นไงมันติดใช่มมันจะกินเนื้อสั์ใช่ไหมนั่นไงมาเลี้ยงยากก็เลยตีถั่วไป คนเขากินอะไรก็กินก็สิกินตามอย่างๆเขาเออคนทาไมกินโอ้มันแหลกแล้วเลยนะคนกินชั่วกินเลวคนเนี่ยคนนี่นะปุถุชนที่มันไม่มีปัญญาน่ยมันกินชั่วกินเลวที่มาพูดนี่วิเคราะห์ออกให้เห็นว่าอย่าไปกินชั่วกินเลวอย่าไปกินโง่ๆง่งอย่างนั้นต้องกินฉลาดฉลาดกินอย่าให้มันเป็นโทษเป็นภัยกินอย่าให้มันเป็นการยุ่งยากกินให้มันมีคุณค่าสูงส่ง คนชร า, าก็มากินอย่างนี้ก็แนะนํากันอยู่อย่างที่ว่านี่นันมากินเราโหยเขาหลอกสังขารเราทอะไรตะไรยังไงต่างๆนานาคุณก็กิกนเละไปหมดเลย ก, กินไอ้สิ่งที่บอกแล้วแม้แต่สุดท้ายไปปรุงไปปุ่มไปปรุงไปปนไปปรุงไปทําอะไรจนกระทั่งกลายเป็นหมดคุณค่าอาหารแลกกินก า, กากด้วยคุณก็ไม่รู้ตัวแล้วมันไม่งงไงหวาดไหวนะอย่างนี้เป็นต้นกินสารพัด ส, สารเพย์เพราะฉะนั้นถ้เผื่อว่าเราไม่เข้าใจลึกซึ้งเราก็กลายเป็นคนที่เลี้ยงยาก เสร็จแล้วก็มาเป็นพูดจบเกิอนอย่างมักง่ายไปหาว่าคนเขาเลี้ยงง่ายเป็นคนเลี้ยงยากกินอะไรก็ตามเขาสิไอ้ไปตามก็ได้ยังไงคนมันไม่ได้คนเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ได้เป็นหลักของชีวิตไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ที่ปฏิบัติทำมาแล้วละเวน้นสิ่งที่ควรละเวน้นอยู่ในส่วนฐานที่ถูกต้องแล้วอย่างนี้เป็นหลักอย่างนี้เป็นผู้รู้ ก็ต้องตามผู้รู้สิให้ผู้รู้เนี่ยเป็นหลักแล้วผู้รู้ก็บอกมีนโยบายอะไรที่จะให้คนเขาเปลี่ยนไปอย่างเราไม่กินเนื้อสัตว์นี่จะได้เป็นข้อสรุปถ้าเขารับถือเราศรัทธาเราเราไม่กินเนื้อสัตว์เราก็จะได้บอกเขาได้บอกโอ้ทําไมพระคุณท่านเขาอุตส่าห์เรียกตั้งพระคุณท่านนะพระคุณเจ้าทําไมไม่กินเนื้อสัตว์ล้วก็อธิบายเขาได้มีเหตุมีผลเขาก็จะได้บอกโอ้ดิฉันก็ไม่รู้ก็เพิ่งรู้เขาก็จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนตัวเองมาตาม นี่เราไม่ไม่อะไรเลยไม่ต้องไปบอกเขาหรอกทําไมต้องตรณีทำทําไมต้องตรณีความดีทําไมต้องตรณีความรู้ก็เรารู้ว่ากินเนื้อสัตว์มันไม่ดีทําไมเราจ้าต้องตรณีตัวทําไมไม่บอกเขาไม่ต้องไปบอกเขาหรอกไม่ต้องไปคุยโมหรอกว่าตัวไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ไปโมนะพูดเรื่องจริงหน่วยอโมคือพูดเรื่องไม่จริงนี่พูดเรื่องจริงนะหาว่าเราพูดโมสิไม่โมนะจริงจริงเลย เหตุ ed, ผลก็จริงๆไม่ใช่โม้สักหน่อยแต่เขาก็มาพยายามประชดประชันยัดเกียรติเราเพื่อจะให้เราเป็นคนเลวเราพูดไม่โมเขาหาว่าเราพูดโม้เราพูดจริงแท้เขาหาว่าเราพูดโม้เราบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์นีดีไม่ได้โ ม, เ ม, ม้เลยมาพิสูจน์กันไหมล่ะเอฮิปสิโก้าให้มาพิสูจน์ด้วยไม่กินเนื้อสัตว์นี่ดีไปกินเนื้อสัตว์อยู่นะ่ะไม่ดีไม่ได้โม้เลยพูดจริงเลยบอกเหตุบอกผลทุกอย่างดียังไงมีหลักวิเคราะห์วิใจัยให้ฟังทุกอย่าง อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราทําเป็นนโยบายท่ า, าทีเท่านั้นนะ่ะแล้วฝากเนื้อสัตว์คืนไปเสียเอามาว่าไอ้ต้องฝากคืนก็คืนที่ของไม่ควรเป็นอกกับปิยะแล้วก็ฝากคืนไม่เห็นผิดอะไรหลายหลายอย่างที่ไม่ดีไม่ควรเราก็ฝากคืนทั้งนั้นไอ้ของที่ไม่สมควรนะอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ดีเมื่อปฏิบัติได้แล้วอย่างพวกเราเนี่ปฏิบัติได้เพราะปฏิบัติได้เสร็จแล้วเราก็จะมารวมหมู่กัน มีปฏิปทาเหมือนกันมีสิ่งที่เห็นร่วมกันว่าดีเราก็มารวมกันสิ่งในสิ่งทสิ่งที่ดีอาตมาจะยกหลักการกินเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์หรือกินมังสวิรัติเป็นเครื่องอธิบายประกอบเป็นตัวอย่างประกอบไปเรื่องอื่นจะเหมือนกันนะเรื่องอื่นก็จะมีแนวแนวความรู้แบบนี้เหมือนกันอย่างเราพยายามมาเลิกเนื้อสัตว์กันแล้วจนกระทั่งเกิดหมู่กลุม่ม มันก็จะยินดีด้วยหมู่ด้วยกลุ่มเป็นมิตร ด, ดีเพื่อนดีสหายดีเพราะว่าเราเองมีปฏิปทาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอกันมีทิฏฐิสามัญญาตามีศีลสามัญญาตามามีทิฏฐิเห็นเสมอกันเหมือนกันมีศีลพอกันเหมือนกันถ้าศีลข้อ น, นี้เราละเนื้อสัตกนันได้แล้วเราก็มาเป็นเหมือนกันแล้วเราก็มารวมกันพอรวมกันแล้วเป็นไงเป็นพลังเป็นพลังมันก็มีอำนาจดึงดูดคนอื่นเอาตัวอย่าง ถ้าคนเดียวทำเขาว่าบ้าหลายคนทำบ้าหลายคนเหมือนกันไม่ได้ยิ่งเป็นร้อยเหมือนกันบ้าทีละร้อยอยากและบ้าเรื่องเดียวกันมีเหตุผลเหมือนกันด้วยพูดกันถูกไม่จะพูดเละพูดเถอะด้วยอย่างนี้ไม่ใช่บ้า น, นอกจากไม่ใช่บ้าแล้วเขาต้องมีเหตุผลมีอะไรจะใดดีเอ๊ะน่าสนใจดีอย่างไรคนที่สแสวงหาความเจริญสแสวงหาความดีอยู่เขาก็จะต้องสอดส่องแล้วเาก็ต้องเอาอย่าง จนกระทั่งเกิดสภาพขึ้นมานี่มีหมู่มีกลุ่มมีพลังดึงดูดมีพลังให้คนอื่นเขาเอาอย่างก็ เ, เกิดการเอาอย่างขณะนี้เรามีทั้งเนี่ยทุกวันนี่เรามากินเลี้ยงมังสวิรัตเสาร์อาทิตย์กินเลี้ยงมังสวิรัติว่างๆยังยกทัพไปกินเลี้ยงมังสวิรัตที่สวนลุมที่นวนที่นี่ไปที่ไหนก็ยกไปเลยต่างคนต่างยินดีเอา้ายินดีจะไปทํามังสวิรัติอา้าวพวกเราก็มีนีมิตรจหายไปแล้วยกครัวไปเลย ที่เรานี้ไม่เป็นไรอย่าว่าจะยกครัวเลยจะทําให้คุณกินด้วยเราเราอยากให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมมากินอย่างนี้มากินมังสวิรัตินี่เป็นของดีเพราะฉะนั้นความเห็นดีความยินดีในสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นอานาจเป็นแรงเพื่อที่จะชักจูงคนอื่นนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วพราะเรามีหมู่กลุ่มตั้งแม้กระทั่งส ชมรมมังสวิรัตไปเปิดร้านค้าขนาดค้าไม่ได้ค้าธรรมดาเลยเนี่ยคนค้าขนาดระดับแหม V.I.P. นะพ่อค้าใน V.I.P. นะระดับคุณจำลองเป็นพ่อค้าอย่างนี้เป็นต้นคุณพันนีนไปตักทุกเสาวทุกอาทิตย์เลยแล้วเนี่ ย, ยทำงานธนาคารเงินเดือ น, อนขึ้นเป็นหมืน่มนๆกันอยู่แล้วนหลายคนนะพวกเราปริญญาตรีปริญารญาโทเป็นแม่ค้า V.I.P. ทั้งนั้นเลย วีไบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็คนเข้าใจกันแล้วไปนะนี่บอกคนไม่เข้าใจหมายถึงว่าคนเป็นบุคคลสําคัญเป็นบุคคลที่เขา ถ, ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญบุคคลที่มีเกียรติหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องพื้นๆไม่ใช่เรื่องตื่นๆ น, นะไม่ใช่เรื่องคนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมีปัญญามียศมีเกียรติมีศักดิ์ที่เป็นฐานะรับรองทางสังคมอย่างดีเลยนะไปช่วยกันทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะเผยแพร่ ความเป็นจริงหรือความดีอันนี้ให้คนอื่นเขาเอาอย่างต่างกันเสียสละแรงงานเสียสละทุนรอนเพื่อที่ให้สร้างสังนติขึ้นมาปรับปรุงสังคมอาตมาขอยืนยันว่าการมากินมังสวิรัตเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมไปอ่านเหตุผล15บ้าข้อหมอชดช่วงลงหนังสือพิมพ์แสงศูนย์เล่มใหม่นี่ประโยชน์ไหมนะว่าการกินมังสวิรัตนี่คือสร้างสันติภาพนา่ยิ่งใหญ่ไหม <c oughs> มีเหตุผลสิ้าเหตุผล หมอโจทจงวิเคราะห์ไว้หลายๆอย่างให้ฟังและจริงนะมีเหตุผลนะใครไม่เห็นจริงก็ตามใจนะแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีเหตุผลมีไม่ใช่เรื่องพูดลอยๆด้วยไปดูสิต่างๆนานาพวกนั้นศึกษาเข้าเพราะเราทํานี่ไม่ได้หมายความว่าเราทําแล้วเพื่อประโยชน์ตนอย่างเดียวประโยชน์สังคมอย่างชัดเจนด้วยเพราจึงช่วยกันทําเพราะฉะนั้นมาเรามากินเรี้ยงเนี่ยก็เป็นงานที่เราเห็นดีด้วยกัน ต่างคนต่างเข้าใจแล้วอย่างน้อยเราอยู่ที่บ้านแล้วก็กินมังสวิรัตไม่ค่อยได้อยากระนั้นเลยวันหยุดเสาร์อาทิตย์เรามารวมกับเพื่อนเถอะบางทีเราก็ยังมีกินเลสกินอยู่ที่บ้านมันก็กินไม่ค่อยลงกินไม่ค่อยอร่อยมามากินเลี้ยงกับหมูหมูเขาก็อร่อยเออเขาก็อร่อยเขาก็จูงดึงเราอร่อยด้วยแล้วก็กินไว้ได้วันวันหนึน่งคืนหนึง่งแล้วก็ได้อย่างน้อยอาทิตย์นึงสองวันเสาร์อาทิตย์มากินเลี้ยงมังสวิรัตที่นี่คขาก็ยินดีจะมามารวมพลังรวมมวล เพื่อที่จะดังน้อยเราก็ได้ฝึกตนอย่างมากเราก็ได้ช่วยคนอื่นอีกด้วยเพราะเป็นพลังมากมันจะเกิดอํานาจดึงดูดหรือชี้ชวนให้คนอื่นเห็นคนอื่นเอาอย่างตามเป็นการเผยแผ่ชี้ชวนให้มาในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นคุณเอ็งมารวมกันในที่นี้คุณได้ช่วยศาสนาอยู่ในตัวพระเจ้าท่านลงหมูอและท่านก็ทําอย่างนี้ถ้าทางนี้พัังพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอนปิริหานี่ทำพลังพร้องกันทำพลังพร้อมกัน หตรงทำรรตรงวินัยตรงหลักมันตรงกันอย่างนี้มันเป็นพลังดูดเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นด้วยก็บอกยินดีที่จะลงมาร่วมแม้แต่ลงมาร่วมฉันพร้อมกันไม่ใช่ปลีกแยกไปแล้วกระแตกแยากกลายปเป็นเกระเซ็นไม่เกิดพลังหมู่ไม่เกิดพลังสามคัคคีไม่เกิดสัพเพสังสังขปูตานังสามคัคคีวุทธิสาทิกาวุทธิกาไปว่าความเจริญงอกงามมันไม่เกิดถ้าไม่เกิดพลังเพราะฉะนั้นผู้ใดมีปัญญาในทางธรรมอย่างเป็นพระนี่ เออเรามารวมพลังดีกว่าสิ่งนี้เราก็ยิ่งไม่ลำบากล้วก็กินได้แล้วเราก็บริสุทธิ์แล้วเราก็สะอาดแล้วมันยิ่งมีบริสุทธิ์ยิ่งสะอาดยิ่งแนบเนียนมันยิ่งมีความเป็นคุณภาพสูงเป็นสมรรถนะเป็นสมรรถภาพที่สูงเป็นตัวอย่างให้คนอื่นอย่างดีพระที่ประมีปัญญาถ้าเกิดจะลงมาร่วมฉันมาร่วมกระทํางให้พรั่งพร้อม เพื่อที่จะชักจูงพวกคุณต่างๆก็มาร่วมกันอีกก็เป็นพลังหมู่ที่โตยิ่งโตก็ยิ่งมีแรงดึงดูดมีแรงที่จะชักจูงชี้ชวนได้มากเป็นการร่วมกันเผยแพร่ร่วมกันชักจูงร่วมกันชักนําคนใหม่ๆเข้ามาก็ไม่เห็นพลังโอ้โหคนเหล่านี้เขามานิยมอะไรกันมากมายนักหนานี่มันถ้าจะต้องรีว่จะประมาทเขาไม่ได้เนี่หลายหัวเหลือเกินแต่ละคนแต่ละคนก็มีมันสมองมีปัญญาของแต่ละคนยิ่งบางคนกับคนนั้นคนนี้ก็มี ฐานะศักดิ์รีมีหลักฐานยืนยันเอ๊ะคนนี้ก็รู้นี่คนนี้เนี่ยมีหลักฐานฐานะทางสังคมก็สูงนี่นะคนรับนับถือนะเนี่ยคนนี้ก็ยังงง่อย่างนี้ต่างๆน า, นานามียืนยันว่าโย่เอ๊ะคนเหล่านี้ไม่ใช่คนโง่นะทำไมเราทําอยู่อย่างงง่มันไม่ถูกยังไงทําไมเขามาทําอย่างนี้เขาถูกหรือมันก็เกิดการยืนยันให้คนอื่นเขาต้องพิจารณาต้องคิดต้องศึกษาเล่าเรียนพิสูจน์ เมื่อเขาพิสูจน์แล้วเรายินดีเลยเราแน่ใจว่าเขามาพิสูจน์แล้วเขาจะเห็นความดีความจริงอันนี้และเขาก็จะมาดีตามมาเป็นอย่างนี้ตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆขณะนี้ที่สวนจตุจักรขายอาหารบอกว่าโอ้โหนี่ก็มาให้ข่าวล่าสุดนี่ก็บอกาขายดีกันจังเลยต่างคนต่างถือนี่พน เ, เรือเอกเทียมมการารนนก็ไปนั่งกินอยู่วันนี้ นี่ก็ไปมาเมื่อกี้นี้ต่างคนต่างก็ไปกันซื้อปิ่นโตมารอรอรอขายไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศใครจะไปช่วยขายให้ช่วยขายบอกว่าพอมีคนช่วยขายคนช่วยล้างขาดขาดคนช่วยล้างงานนี้เป็นงานเผยแพร่งานนี้แม้เงินได้มีพอสมควรเราก็วาเข้าหมูล่นทิศ เพื่อการเผยแพร่ศาสนาไม่ใช่การค่าส่วนตัวของใครนี่ไม่ใช่การค่าส่วนตัวของใครผู้ที่ไปทําอยู่นี่ออกรงแรงลงทุนเงินตัวเองควักลงทุนด้วยนะแล้วก็ไม่ได้คืนด้วยทุนกําไรก็เข้ามูนิธิไม่ได้แอบมาไล่ล็อกเสียแรงเสียทุนเสียรอด้วยแต่เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อเราจะพัฒนามนุษย์พัฒนาสังคมเราทําอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่มีเหตุผลอะไรเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมกันทํานี่เป็นหมู่เป็นกลุ่ม ซึ่งเราเองเราไม่ต้องพูดมากก็รู้อยู่แล้วพวกเรามีพลังสามัคคีช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันสร้างสรรค์ ส, ส, ส, ส, สิ่งที่ดีมันก็ไปกันคนต่างคนต่างเหนือก็ไปช่วยกันบางสิ่หลายคนก็หลายมันก็เบาลงแบ่งเบากันบ้างมันก็ตอนนี้ก็ขอประกาศนะรับสมัครคนล้างชามนะโดยเฉพาะสวนจตุจักรนี่วันเสาร์วันอาทิตย์เรามีขายทุกเสาร์ทุ ก, 6, ทกอาทิตย์หมดก็เป็นเลิกกันเท่าที่เป็นไปแล้วก็ใช้วิธีข้าวหม้อแกงหม้อด้วยนะขายนี่ประหลาดนะของเราในกิจกรรมเราแปลก ข้าวหม้อแกงหม้อมานี่ทางนั้นที่จริงชมรมก็ตกลงกันว่อาอ้าวใครเอามาก็เอามาคุณคิดต้นทุนของคุณไปเลยแล้วเอาเงินคืนไปซื้อนะข้าวห ม, ม้อแกงหม้อให้คุณในทําอาหารมังสวิรัตไปที่นั่นซื้ออา้าวเอาไปต้นทุนคุณเอาคุณคืนไปก็อย่ามาค้ากําไรกับพวกเราก็แล้วกันคุณทํามาแล้วเราก็จะจัดการขายเพื่อที่จะให้ขายได้ราคาถูกปรับปรุงเศรษฐกิจของไทยเพราะไทยทุกวันนี้พ่อค้าบวกแต่ราคาแพงมันแก้ปัญหาไม่ได้ พราะฉะจะแก้ปัญหาได้เราต้องเป็นตัวอย่างขายผลร้านข้างๆนี่นะร้านขายไก่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนั่งเซอร์เลยเนี่ยจะที่โซ่จะจจังนี่ข้างๆร้านก็ไปดูสิคุณจะรู้นั่งเซอร์เลยคุณกขาปรุงแหมกลิ่นฉุยเลยนะอยู่ตรงนี้เอ๊ะทำไมว่ามันคนไปนั่งกินมังสวิรัตหมดเลยร้านเราไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวปรุงอย่างยอดเด็ดเลยไม่ค่อยเข้าร้านดีไม่ดีพวกพวกเราก็ญาติดีกับร้านเขา ไปอาศัยโต๊ะที่ร้านเขากินด้วยแต่กินมังสวิรัติน่ะไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวหรอก <c oughs> เป็นอย่า ง, งานั้นซะด้วยแล้วเดี๋ยวนี้นะนี่มันน่าชื่นใจเพรครูหาที่ขายสักสักแคบลงไปแล้วอาตมาก็ยินดีว่ามันจะได้กว้างขวางแพร่หลายไปเป็นแฟชั่นดีเสร็จแล้วเราก็เสริมสารัะความรู้ให้แก่เขาว่ามันดียังไงเมื่อใจให้เขาทําแล้วก็เป็นแฟชั่นประเดี๋ยวก็เปลี่ยนไ ป, ไปอื่นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอื่น ไ, นไม่ใช่ให้เขายืนยันมั่นคง ให้เขารู้จักว่านี่เขาเข้าแก่นเข้าแก่นสาระเนื้อหาแล้วจงยืนหยัดเนี่ยยังชีวิตอยู่ได้ด้วยระบบอย่างนี้ด้วยกรรมกิริย า, ยานี้กิน ก, ก็กินอย่างนี้อย่าไปกินเ ล, ลเอะเทอะกินอย่างนี้เป็นคุณค่าแก่ชีวิตและสังคมอย่างไรให้ความรู้แก่เขามันก็ปักหลักลงไปมันก็เป็นการพัฒนามนุษย์และพัฒนาสังคมอย่างแท้จริงแม้ปัญหาเรื่องมังสวิรัติเนี่ย เอาเธอเขาด่ามาด่ายัางไงก็ด่ามาเขาหาว่าเป็นงัวเป็นควายเป็นพวกจิตประสาทเป็นพวกโรคประสาทนะโรคจิตนยะปล่อยเขาไปเถอะนี่เขาด่าเราอยู่เมื่อวัดทีสวัสดสามพระยาไม่นานเนี่ยนะมีพระเขาว่าอย่างนี้เลยบอกโอ้อย่าไปเอาเรื่องเลยปล่อยก็เถอะพวกโรคเสพประสาทจะไปถือคนบ้าจะไปถือคนเมาเขาว่างั้นเลยนะ เอาเขาว่าไปเราก็มาดูว่าเราบ้าหรือเปล่าเราเมาหรือเปล่านอกจากไม่บ้าไม่เมาแล้ว เ, เรามีเหตุผลลึกซึ้งด้วยมีหลักฐานพิสูจน์ได้แบบวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลซับซ้อนได้ดีหรือไม่ได้ดีเรารู้ถ้าคุณเห็นว่าไม่ได้ดีคุณก็เลิกกันใครก็ตามมาตามเราเราแนะนําม่แนะ่บอกแก่นสารหลักฐานทุกอย่างถ้าไม่ดีก็เลิกถ้าดีคุณก็ตัดสินเอาเองไม่ได้บังคับคุณนะไม่มีปรเด็จการที่นี่ไม่มีปรเด็นการทุกทุ ก, ท, กทุกรูปแบบ ทุกนนยะไม่มีประเด็ด ก, การมีแต่คนเห็นด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเห็นจริงตามเองเหตุผลอย่างไรเรามีบอกเราไม่ล่อลวงเราไม่ใช้ใโคยไม่ใช้จิตวิทยาไม่เครื่องเรามีแต่ความจริงใจนะมีแต่ความจริงใจอย่างสดสดนะที่จะบอกกันเพราะฉะนั้นผู้ใดจะรับจะพิจารณาก็ทาเอาเองเราจะมาสร้างข้านิยมไปในทางอย่างนี้แม้แต่เรื่องการกินเนี่ย เรามาเลิกกินเนื้อสัตว์เรามากินน้อยเราไม่ไปกินน้ำเปรี้ยวน้ำหวานเราไม่ไปกินเล่นกินหัวเราไม่ไปกินเป็นอบายมุกเราไม่ไปกินหลงรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรนักหนาเรากินอย่างรู้สารัะคุณค่ากินให้สันโดษมักน้อยกินให้รู้จักละลดลงมาจนกระทั่งแม้กระทั่งมื้อคราวที่เราเคยกินอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็ลดลงมาลดลงมาแล้วดีไหมคุณมาพิสูจน์ สุขภาพร่างกายก็ดีไม่ใช่ลดลงมาแล้วจะตายจะตายเปล่าเลยลดลงมาแล้วทำงานทำการได้อย่างคนอื่นหรือเปล่าแน่นอนขอยืนยันว่าลดมื้ออาหารก็ตามลดอาหารที่เราไม่กินอย่างโลโลกเขาก็ตามเราลดลงมาแล้วเรากับแข็งแรงปราดเปรียวแควคล่องไม่เปลืองไม่เอถอะทะไม่ลำบากคนอ้วนมากินก็จะผอมลงคนผอมเอามากินมื้อเดียวอ้วน แต่ก่อนกินสามมือผอมพอมากินมือเดียวอ้วนไอ้คนอ้วนมากินแล้วผอมเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกคนอ้วนมาลดมือลงมาแล้วมากินลดผอมลงนี่เขาก็ไม่แปลกแต่คนอ้วนนี่ไม่ใช่คนผอมมากินมือเดียวแต่ก่อนนี่กินสามมือสี่มือผอมพอมากินมือเดียวหรือมากินก็อยลดก็อยไล่ลมาลดละมาตามควรนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะมาพวกภาพเลย กินมือเดียวเลยยิ่งผอมๆเดี๋ยกินมือเดียวเลยวัวปิดเดียวก็กระดูเดินไม่ได้แล้วก็ก็ต้องเขาลงเผาเลยไม่รู้ด้วยนะเพราะมันไม่หายใจแล้วเขาก็ต้องเอาไปเผาตายก่อนไม่รู้ด้วยนะเพราะเราจะต้องมีวิธีการมีมาตรการอธิบายกันค่อยไหลกันไปเป็นขั้นเชิงท่านมันมีขั้นมีตอนไม่ใช่ว่าทําอะไรพรีพรามเมื่อผู้ใดทําลงตัวแล้วทําสําเร็จแล้ว แม้คนผอมมากินแล้วมื้อเดียวกลายเป็นอ้วนได้นี่เราพิสูจน์ยืนยันเราเยอะแยะไปแต่ก่อนที่กินทั้งหลายมือมันไม่เคยอ้วนเลยจากกินยากินยานูาน่นยานี่มันก็ไม่อ้วนให้ก็มันจะไปกวนอ้วนให้ได้ยังไงแล้วของคุณกินผิดร่างกายของคุณผิดสูตรด้วยบางคนกินแล้วอ้วนก็ชันงเขากินหลายมือก็อ้วนก็ช่างเขาแต่คุณไปกินหลายมือเอามันกลับผอมเนี่มันผิดสูตรของคุณแล้วต้องมาลดลงแหมพอดีให้มันมาถูกหลัก เมื่อมันถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วคุณจะสมบูรณ์คําว่าสมบูรณ์นี่ไม่ใช่อ้วนนะอย่าไปแปลสมบูรณ์มาอ้วนนะสมบูรณ์นี่หมายคำว่าเต็มความดีงามเต็มความเหมาะสมสมบูรณ์เนี่ยเต็มความเหมาะสมบูรณะนี่แปลว่าเต็มปุณะแปลว่าเต็มเต็มความเหมาะสมนะถูกต้องเต็มความถูกต้องเพราะคุณมากินรถละลงมามากินมือเดียวได้นี่โอ้โหเยยสังคมเขา มากมายเขาก็จนกระทั่งหาว่าเราทรมานตนเอ๊เราผอมแล้วมากินอ้วนมันทรมานตนยังไงเราอ้วนเอถอะถ้าลําบากลบากลบนจะทํางานทําการก็ยากนั่งที่ไหนก็เปลืองที่มากกว่าเขาเสื้อผ้าหน้าแพะก็ลําบากจะเคลื่อนจะย้ายตัวนี่เยอะแยะไปพวกเราเนี่แต่พอมากินแล้วลดมือลดข่าวกินให้มันถูกต้องลงตัวดีเรียบร้อยไม่ใช่ว่าเรากินลดอาหารหรือว่าเรากินเลิอกอนุนอันนี้แล้วนี่เราไม่มีหลักความรู้เมือะไร เรามีหลักความรู้นะเสร็จแล้วเรามาเป็นคนอย่างนี้ขึ้นมากลายเป็นคนได้พหน้าที่พลังงานทํางานทําการแค่วคล่องปราดเปรียวไม่หนักเนื้อหนักตัวไม่เปลืองนวนเปลืองนี่สบายไปเลยตั้งเท่าไรแล้วเนี่ยมันพิูจน์ยืนยันไดนะ้เพราะแม้แต่การปรับปรุงหรือว่าการกินเรื่องยกตัวอย่างเรื่องมังสวิรัตเรื่องเดียวหรือลดมือลดคราวมาบ้างประกอบอไปอีกนิดหน่อยเนี่ย เราก็ได้มาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้พ้นทุกข์ให้เป็นผู้อยู่อย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างทั้งไม่เดือดร้อนในเศรษฐกิจในสังคมไม่เดือดร้อนในสุขภาพร่างกายไม่เดือดร้อนแม้กระทั่งว่าจะไปเบียดเบียนอมหิโธดร้ายในเรื่องจิตปัญญาของเราไม่เดือดร้อนเพราะเราลดกิเลสไม่เดือดร้อนเพราะเราลดกิเลสคุณค่า นี่จิตวิญญาณก็เราสูงขึ้นได้เคยแยกไว้สีขอ้อง่ายๆจิตวิญญาณของเราด้านจิตจิตภาพก็ได้ลดกิเลส เ, เกิดเมตตานะด้านกายภาพสุขภาพดีเศรษฐกิจดีง่ายๆแล้วขยายความไปอีกจะไปขยาย15เหตุผลอย่างหมอโชดช่วงก็เชิญศึกษาในเอนไซคปีเดียตอนนี้ก็คัดแปลออกมาจากเอนไซคลิปเดียของอังกฤษก็อิสุก ปริชนิกา้าก็แปลออกมากันในในแสงสุงนทรนี้ก็เอามายืนยันพระพุทธเจ้านี่ขึ้นองค์แรกเลยเป็นนักมังสวิรัตเป็นวิกตอรียนเขายืนยันแต่แม้เมืองไทยนี่แกะอะไรก็ไม่รู้ทั้งโลกเขาก็ยืนยันหลักฐานอะไรๆต่างๆนานาเขารูก็ทั่วโลกว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักมังสวิรัตไปหาพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักมังสวิรัตพระพุทธเจ้าต้องกินเนื้อสัตว์เออเอาเลือดไปเปื้อนปากพระพุทธองค์บาปไม่รู้ตัว อะอย่าง้งโง่ตายเลยนะเพราะงั้นเราอย่าไปหลงอย่างนั้นเราจะต้องรู้ในสิ่งที่มันได้คุณค่านะข้าวกล้องราคาถูกกว่าด้วยและมีคุณค่าสูงข้าวซ้อมมือข้าวกล้องถั่วงาประจําผักพืชผลไม้เราได้หมุนเวียนในเมืองไทยเราเยอะแยะหมุนเวียนกินไปตามที่ได้ที่มีตามมีําได้ส่วนอาหารหลักนั้นข้าวถั่วงาข้าวถั่วงา จำมาไว้นักมังสวิรัติอย่าไปทําให้เสียชื่อนักมังสวิรัติกินอาหารแล้วขาดธาตุอาหารอย่าไปให้เสียชื่อกินให้เป็นข้านิยมเลยเหมือนกับเรากินข้าวนี่มันก็รสชาติมันไม่น่ากินอะไรลอกที่จริงข้าวมันก็รสชาติ จ, จือดจอย่างนั้นนะจ๊มะมาแต่ที่จริงเเคี้ยวบ ด, บดมากมาก็น้ําตาลมันแตกตัวปฏิกิริยาเคมีมันก็จะเกิดน้ําตาลมันก็จะหวานทั่วก็เขียวสิเคี้ยวหวานมันเหมือนกันบดกาสิเกิดเกิดรส วัตถวงายิ่งงาคุณค่าอาหารอยู่ในนั้นเยอะไม่ใช่น้อยนี่ประจำนะวันนี้พูดเรื่องอาหารมาแล้วก็ขอแนะนำอะไรที่ควรแนะนำลงไปให้สำคัญด้วยแล้วเราก็จะได้เข้าใจถึงบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยที่นี่เขาปฏิบัติธรรมก็มีอะไรล้อเรื่องมังสวิรัตเรื่องตะกะนะเรื่องกินเรื่องอยู่ปฏิบัติไม่ได้เขาหลักเขาเกณฑ์อะไระเขาฟังเาพูดเหตุผลเขาก็คงมี ของเราเราก็มีเหตุผลอาตมายืนยันแม้แต่เอาหลักฐานพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมาไม่ได้เขียนเองเขาก็เรียนตัวหนังสือเดียวกันจนกระทั่งถึงแม้แต่เมื่อเกิดผลเกิดแม้กระทั่งเป็นหมู่เป็นมวลพร้อมพังที่จะร่วมใจกันเป็นสามคีร่วมใจกันเผยแร่ร่วมร่วมใจกันจูงนำหรือนำพาให้คนมาเกิดก่อนในพฤติกรรมที่ดีการกินอาหารที่ถูกต้องเป็นพฤติกรรมที่ดี แม้เราจะเป็นพระอาหารหันต์แล้วเราก็จะรู้ตัวว่าเราต้องเป็นตัวอย่างเป็นครูคนทำอะไรให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอนุชนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรมันดีเราย่อมทำดีอาตมาเองอาตามาจะไม่บอกว่าเอ้ยอาตมากินด้จิตว่างกินอะไรก็ได้กินผักมันก็เป็นกินเนื้อเป็นยักษ์ก็กินผักก็เป็นควายเพราะฉะกินอาหารอะไรมาเขาให้อะไรมากินหม ด, หมดกินหมดกินด้จิตว่างๆอาตมาไม่อาตมาเป็นครู อาตมามีสำนึกว่าอาตมาเป็นครูเพราะฉะนั้นอาตมามีความรู้วาถ้าอาตมาทรงตัวเป็นครูเป็นตัวอย่างอันอธิบายได้แก่มนุษย์อาตมาจะทรงสภาพนี้ไว้เรียกว่าธรรมะธรรมะแปลว่าทรงไว้อาตมาจะทรงไว้อย่างอาตมาจะสูบบุหรี่ก็สูบได้อาตมาว่าเออเขาเอามาประเคณแล้วบุหรี่ก็สูบได้จิตว่างอาตมาจะไม่เหลวไหลถึงป่านนั้นอาตมาจะไม่งงเงาอย่างนั้นอาตมาจะฉลาดทําพฤติกรรมของอาตมาตามที่ควรจะทํา เพราะพฤติกรรมองาตมานี่เป็นแบบอย่างเป็นครูคนอาตมาจะไม่แก้ตัวด้วยคําว่าจิตว่างอาตมากินเนื้อสัตว์เด่นี่ได้จิตว่างก็กินได้แต่อาตมาจะไม่พูดอย่างนั้นและจะไม่ปฏิบัติประพฤติตนอย่างนั้นเป็นแน่นอนอาตมาจะประพฤติตนเป็นอย่างเป็นครูคนเป็นแบบอย่างของคนอันดีงามเป็นแนวโน้ของอนุชนรุ่นหลังนี่เป็นสํานึกของครูสํานึกของอาตมาที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู นสรุปลงก็คิดว่าลึกซึ้งหน่อยนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจว่านี้อาตมาไม่ได้ไปพูดเบียดเสียดใครไม่ได้ไปว่าใครแต่เขาเองเขาเอาอันนี้มาแก้ตัวมันทำให้ธรรมะเสียและประโยชน์แห่งการเสริมสร้างสารธรรมะลดได้ลงอาตมาต้องแก้ประเด็นปลดสลักที่มันเสียหายในาศาสนานี้ออกไปบ้างนะ ก็ควรแก้เวลาสำหรับการเทศช่วงเช้านี้ก็ขอเ อ, เอวังเพียงเท่านี้